ออต่อนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสัมรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เรามาพร้อมกันที่ศาลาการป ร, รียญนี้ก็เพื่อเป็นการถัดแสดงความสามัคคีในการปฏิบัติธรรม เมื่อแยกเลิกกากนี้แล้วก็ตัวใครตัวเราปฏิบัติเอามันระเบียบมีมาแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเพราะว่าผู้ที่มาใหม่ในพระธรรมเวัยนี้ก็ยังไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติ โดยแท้จริงเข้าใจก็เพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นจำเป็นก็ต้องแนะนำกันไปเพราะธรรมะเป็นของลึกซึ่งเกี่ยวกับจิตใจโดยตรงดังนั้นเมื่อไม่ฝึกใจให้สงบลงไปแล้วไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะอันลึกซึ่งอัน ละเอียดสุ ข, ขุมได้เพราะคนที่ไม่รู้ธรรมะของจริงอันลึกซึ้งนั่นแหละจิตใจจึงได้แปรปรวนความประพฤติจึงไม่สม่ำเสมอมีขึ้นมีลงมีสูงมีตำ่ำ อ, อยู่อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยให้เข้าใจความหมาย อันนั้นต้องพยายามผู้บวชเข้ามาแล้วจะบวชใหม่ก็ตามบวชเก่าก็ช่างผู้บวชเก่านั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้นำผู้บวชใหม่ถ้าผู้บวชเก่าก็ไม่เอาไหนแล้วผู้บวชใหม่มันก็ไปไม่รอดนำในการไหว้พระ ทำวัดเชา้าทำวัดคำ่ำนำในการปัดการโกดทำความสะอาดรัตวาอารามนำในการที่อยู่ที่อาศัยจะทำความสะอาดให้เป็นตัวอย่างของผู้มาใหม่นำในการรักษาความสะอาดในโรงไฟหอหมู่นี้นะ นำหลายอย่างที่เราจะต้องดูแล ว, ดวัดวาอารามกันต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลอย่าทอดทุรกห้คนใดคนหนึ่งไม่ถูกต้องเพราะพระศาสดาทรงสอนไวแล้วว่าผู้วัดมาต้องบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันหมด ตั้งแต่พระนวะกะจนถึงพระเถระก็ต้องทำข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่ยกเว้นให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วอย่างนี้ลงมือกระทำไปมันก็เป็นอุบายละทิฐิมานะลงส่วนหนึ่งการบาเพ็ญข้อปฏิบัติเหล่านี้นะ อกอย่างหนึง่งมันก็เป็นเครื่องช่วยประคับประคองจิตใจไม่ให้มันคิดสงสัยออกไปข้างนอกนอกวัดออกไปให้จิตใจมันวนเวียนอยู่ในวัดนี้อะไรจิตที่เราควรจะทําเราทําแล้วหรื อ, อยังอืมหรื อ, อยังไม่ได้ทําอย่างนี้แล้ว ดำริตริต้องอยู่ในบริเวณวัดนี้มันก็ยังดีกว่าที่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยออกนอกวัดนอกว่าออกไปต้องให้เข้าใจข้อวัดปฏิบัติต่างๆมนีพระศาสดาทรงสอนไว้นอกจากทำความสะอาด ภายในวัดวาอารามที่อยู่ที่อาศัยแล้วยังเป็นอุบายฝึ ก, กจิตไม่ให้คิดส่งไปภายนอกต่างๆเมื่อเราเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วมันก็ขยันผู้ใดเห็นโทษของกิเลสแล้วก็ต้องขยันมันเพียรพยายามปฏิบัติตามธรรมวินัยไป ใช้เต็มความสามารถของตอนอันผู้เกิดมาในโลกนี้นะมันเกิดมาเพื่อฝึกตนถ้าพูดอีกในหนึ่งแล้วจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นครื่องหัดก็ตามเรียกว่าเราเกิดมาเพื่อฝึกตนทั้งนั้นเลยทั้งนี้เพราะอะไระ ก็เพราะตนยังไม่พ้นจากทุกข์นี่แหละจึงต้องมาฝึกตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าลำพังตัวเองนั่นนะไม่รู้จัก้นทางออกจากทุกข์ไม่รทราบว่าจะออกทางไหนนี่เมื่อมาได้ศึกษาสับตราปังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังรู้ได้ว่าทางออกจากทุกข์ก็คือทางใจนั่นเองเพราะว่าใจเป็นผู้เป็นเป็นผู้รับรู้ความทุกข์เล้วก็ใจเป็นผู้อยากพ้นทุกข์เล้วก็ใจเป็นผู้พ้นทุกข์อันอื่นไม่มีออให้เข้าใจบุคคลผู้ทําบุญกุศลทําความดี ต่างๆลวนแต่เพื่อยกจอจิตดวงนี้ให้พ้นจากทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นใดอันร่างกายนี้เราก็บำรุงมันอยู่ตลอดเวลาด้วยข้าวน้ำด้วยผ้าหนุ่งผ้าห่มด้วยสร้างที่อยู่ที่อาศัยกันพ้นกันลมกันแดด ก, กันสัตว์มีพิษต่างๆอะไรหมูนี้นะ เมื่อเจ็บป่วยลงก็เข้าโรงพยาบาลรักษาพยาบาลมันอยู่นี่ร่างกายนี่เรียกว่าเกิดมาแล้วรักษาอยู่มาดิคัปบังงมมานี่เต็มที่แล้วนะแต่จิตใจนี่สิคนเร า, าไม่เคยได้รักษามันเลยปล่อยให้มันไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหา ปล่อยให้มันไหลไปตามหน้าแห่งความกำหนัดกินดีในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆปล่อยให้มันไหลไปตามความโกรธความพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันอืมปล่อยให้มันไหลไปตามความหลงอตนเข้าใจผิดอยู่ก็ ไม่ปล่อยให้จิตมันเข้าใจผิดไปอยู่นั้นแหละไม่คิดว่าจะถอนตัวออกจากความหลงนั้นไม่แสวงหาความรู้ไม่ไม่ปรารถนาคบหากับท่านผู้รู้ผู้ฉล า, าดผู้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องอันผู้ที่ เต็มไปด้วยความกำหนัดยินดีความโกรธความมัจบาตความหลงเหล่านี้มีอยู่ในโลกนี้มากมายกายกองอันผู้จะเห็นโทษของกิเลส ด, ดังกล่าวมานี้มีน้อยเต็มเทียดังนั้นพวกเราถึงจะมีน้อยก็ตามเราก็ไม่ต้องไปวิกวิจารณ์เอาคนหมู่มากถึง ซ, ซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหานั่นมาเป็นอารมณ์เพราะว่าสัตว์โตกทั้งหลายนี่นะมันเป็นไปตามการตามเวลาตามยุคตามสมัยพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้แล้วสมัยนี้ท่านเรียกว่าวิวัติกับแปลว่ากลับเสื่อมแห่งอายุของมนุษย์ คิดดูตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นอายุคนร้อยปีเป็นอายุไขเหมือนคะว่าสวดมากอายุถึงร้อยปีขึ้นไปจึงค่อยตายแต่ผู้ที่ตายแต่อายุต่ำกว่าร้อยปีลงมาในก็มิโยขันเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรนิทานมาแล้ว ร้อยปีอายุของคนก็นลดลงปีหนึ่งร้อยปีก็ลดลงปีหนึ่งโดยลำดับมาจนถึงบันนี้พุทธเจ้าเสด็จดับขันปรณิพานล่วงมาแล้วเดสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดปีเข้าไปนี้แล้วก็ ตกลงว่าอายุคนนั้นลดลงมาแล้วยี่สิบห้าปีกว่าอ น, นี้นะมันเกิดแลเหลืออยู่เจ็ดสิบห้าปีเท่านั้นเองเป็นอายุไขดังนั้นจึงปรากฏคนทุกวันนี้นะ่ะอายุไม่ถึงแปดสิบตายแล้ว เ, อเยอะแยะเลยมแม้แต่เจ็ดสิบกว่านี้ก็ยังยากนะที่จะถึงนะ เป็นงั้นให้คิดดูคำนวณดูอายุของคนเราเนี่น้อยสั้นเต็มทีมดังนั้นเมื่อบุคคลมารู้ตัวอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้จิตใจดวงนี้หลงไหลไปตามอำนาจของกิเลสดังกล่าวมาแล้วนั้นเพราะ บุคคลผู้ที่ปล่อยให้กิเลสร่ากล่าวมาครอบงำจิตใจแล้วมันทำคุณงามความดีอะไรไม่ได้เลยอย่างเช่นผู้ครองเรือนทั้งหลายเมื่อมีผัวมีเมียมาแล้วเอ้าจำเป็นต้องหาเงินหาทองเพื่อตั้งเนื้อตั้งตัวให้เป็นหลักเป็นแรงเดินลนแสวงหาเงินทองเข้าของไม่ได้ หยุดได้หย่อนแทบไม่มีโอกาสได้เข้าวัดได้ทำบุญทำทานอะไรต่ออะไรไม่มีอะไรอืมยิ่งคนยากคนจนยิ่งแล้วใหญ่เลยเมื่อไม่หาเงินหาทองวันไหนก็อดเลยอย่างนี้ดังนั้นแหละ ผู้ที่เข้าได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้นับว่าเป็นวาสนานาบุญอันสงส่งที่ตนได้มีโอกาสบวชเข้ามาและได้สำรวมกายวาจาใจของตนไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มชุราเมลยัย กัญชายาผินเฮโรอีนแม่แ่บุหรีอย่างนี้นะควรพยายามาพยายามละพยายามทนผู้ได้บวชเข้ามาแล้วนะเห็นธรรมดาพ่อแม่ปูญอยากตายยายพาสู่บุรีม า, าตกลูกตกหลานก็ต้องสู่บุรีตามไอ้เรื่องทำตาม บรรพบรุษมาโดยลําดับอย่างนี้นี่บางอย่างก็ควรทําอยู่แต่บางอย่างไม่ควรทําเพราะมันให้โทษปัญญาชนทั้งหลายย่อมจะไม่ําเดินตามกันตลอดไปเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็ยังหลงอยู่ไม่ใช่ผู้รู้ผู้ฉลาดเห็นจริงในธรรมของจริงอะไร ดังนั้นเราผู้เป็นลูกเป็นหลานน่ะควรจะพิจรารณาว่าสิ่งนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราทำมาแลวมันไม่ใช่หนทางคนทุกข์เช่นนี้เราจะไม่ดำเนินตามการบวชเข้ามานะว่ามีโอกาสเต็มที่เลยที่เราจะต้องสละของเสพติดให้โทษต่างๆออกไปให้หมด จากร่างกายจิตใจนี้เลยอพระบุคคลผู้ติดของเสพติดเหล่านี้นะมันจะไปร่ำรวยมั่งมีอะไรได้เช่นบุรีก็จะก่อนนั่นเพื่อนมวนด้วยยาเส้นด้วยใบตองกล้วยโซกันเมื่อเทวันนี้ไม่แล้ว ละทิ้งหมดเลยอิเตซื้อบุรีซองนั่นมาสูบกันอันนี้วันหนึ่งนะ่ะลองคิดดูสิของเสพติทานิสูบน้อยไม่ได้เลยสูบนานไปก็ประเดิมขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วเงินทองนั่นนะจ่ายมันหลายทางนะผู้ครองเรือนนะแม่ผู้เข้ามาบวชก็เหมือนกันนะ่ะ เดี๋ยวก็ขอเงินทางบ้านซื้อบุหรีูกอย่างนี้ไม่ถูกนะให้เข้าใจอะ่ะเราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่เหลือร้อนแล้วท่านเลี้ยงเรามาก็แสนยากลำบากแล้วราในเมื่อบวชเข้ามาแล้วยังจะให้เพื่อนเลี้ยงอีกอยู่มันไม่สมควรเลยคิดดูให้ดีดังนั้นเราต้องตัดออกไป มันไม่ตายถ้ามันตายผู้ที่สัละมาก่อนแล้วก็ตายแล้วสิจะไปเดือดร้อนอะไรหนังหนาเป็นนักบวชมันต้องความบอะพืชนต้องเข้มงวดกว่าผู้คลองเรือนอันผู้ครองเรือนนั่นน่ะมันเกือกกลัวอยู่ด้วยสารพัด มันสังคมสมาคมทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีนันปนเปกันไปถ้าผู้ไม่มีสติไม่มีปัญญาพอสมควรแล้วก็มันจึงได้ไหลไปทางไม่ดีนั่นแหละจึงไปหาคบคนชั่วเป็นมิตรพคนชั่วมีอยู่มากมายในโลกนี้อันเป็นนักบวชเนี่ยเรา คัดเกลือกเอาแต่คนดีมาบวชคนไม่บ้าเสียชรวิตก็บวชไม่ได้คนเป็นโรคเรื้อรังโรคน่าเกลียดก็บวชไม่ได้คนโมโหโทโสจัดก็บวชไม่ได้อือย่างนี้นะคนมีความโลภจัดเช่นบวชมาแล้วฉันอาหารมือเดียวองนี่ ผู้มีความโลภในอาหารจัด ก, ก็บวชไม่ได้อืมอย่างนี้แหละผู้เคยรับนอนเอาซะจนหมดคืนอย่างนี้อเมื่อบวชเข้ามาแล้วจะไปนอนอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นตระหดะต้องนอนน้อยต้องทําความเพียรให้มากอืมมีการฝึกตนเพื่อทําลายกิเลสให้เบาบาง ออกไปจากกิดใจก็ต้องให้เข้าใจอย่างนี้เรามีโอกาสเต็มที่แล้วเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วอย่างนี้นะอันถ้าบุญวัฒนาผู้ใดแรงกล้าก็อยู่มั่นคงไปในพรหมจรรย์ น, นี้การปฏิบัติมันก็เป็นไปได้เป็นผู้ไม่ถือรั้น เป็นผู้ไม่กระด้างกระเดืองต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อุปชอาอาจารย์นำมาแนะนำสั่งสอนยอมสละทิฐิมาหน้าอันนั้นลงทาตา ม, มการหลับการนอนอย่างนี้เราก็ต้องฝึกอย่างที่เคยแนะนำมาแล้ว ก่อนนอนแล้วก็อธิษฐานจิตใจว่าด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ข้าพเจ้าจะนอนพอประมาณถึงเวลาตื่นจะขอให้ตื่นขอให้พระคุณทั้งหลายคุณธรรมทั้งหลายปลุกข้าพเจ้าให้ตื่นเพื่อลุกขึ้นทำความเพียรฝึกตน ต้องอธิษฐานใจอย่างนี้แล้วจึงค่อยหลับค่อยนอนเมื่ออธิษฐานบ่อยๆเข้าขนี่คุณธรรมบังเกิดขึ้นในใจแล้วถึงเวลาแล้วคุณธรรมก็ปลุกก็ตื่นได้นี่เคยทำมาแล้วเหมือนกันอย่าไปชื่นชมยินดีแต่กับความนอนอย่างเดียวลองคิดดูสิ นอนมาตั้งแต่วันเกิดนู่นจนถึงบัด น, นี้มันก็ยังไม่รู้จักอิ่มเลยแล้วคนที่นอนมากนั่นย่อมไม่มีสติไม่มีปัญญาปัญญาทู้นั่นแหละคนนอนพอประมาณลุกขึ้นทำความเพียรเช่นนี้สมองย่อมปลอดโปร่ง ไม่เช่นนั้นแล้วภาษาตาดาก็ไม่ทรงสอนให้พุทธบริษัททำความเพียรไม่เห็นแก่อยู่แก่กินไม่เห็นแก่หลับแก่นอนนี่ในธรรม บ, บทธรร ม, มะข้อที่ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ผิดสามอย่างนึ่งนะ หนึ่งอินทรยสังวรสำรวมตาหูจมูกรีนกายใจไม่ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นสองโคเนมัตตัญยุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่มากไม่น้อยสามขาชาคริยานุโยกประกอบความเพียรเพื่อจะ ํำละใจให้ผ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสบาปประธ ร, รมต่างๆนี่ผู้ใดได้ปฏิบัติตามธรรมะสามข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าปฏิบัติไม่ผิดเลยถูกทางเป็นไปเพื่อทําไม่กิเลสน้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้ให้พากันเข้าใจ ที่แนะนำสั่งสอนมานี่ล้วนแต่สอนตามแนวแห่งคำสอนของพระเจ้าทั้งนั้นแหละบางทีก็ไม่ได้ยกเอาหลักธรรมะมาอ้างอิงเราจะไปคอยให้ผู้อื่นนั้นวควบคุมอยอย่างเช่นบางแห่งท่านอา้าวตอนดึกๆมาหัวรุ่ง เที่ยวเดินไปเคาะกุฏิหลังนั้นเคาะกุฏิหลังนี้ตื่นแล้วหรือยังไอยอย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่เพื่อนทํากันอยู่แล้วออันนี้เราไม่ทํากันเพราะว่ามันมีอยู่จํานวนมากแล้วอย่างนี้ใครจะไปทําอย่างนั้นว่าไหวล่ะลองคิดดูสินันเนี่ย กูเป็นประมุขประธานเ อ, อก็เท่าแก่ชะลาลงไปแล้วอย่างนี้แล้วจะมีโอกาสอะไรได้ไปควบคุมถึงปรันัทไม่ไหวเราต้องนึกเราต้องสอนตัวเองเตือนตัวเองเอาเพราะต่างคนก็บรรลุบรรลุนิติภาวะแล้ววคนเราเกิดมาแล้วตั้งอายุตั้งแต่ยี่สิบขึ้นไปอ่ะกันเดียวกวับบรรลุนิติภาวะหมายคก็ว่า ก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นไปแล้วดังนั้นควรมีสติสมบัติยะระลึกใต้เสมอบกเตือนตนเสมอว่าเรานั้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะไม่ใช่เป็นเด็กๆอยู่นะนี่เราต้องเตือนตนอย่างนี้แล้วก็ต้องตั้งฮิริโอตปะไว้ในใจ มีความละอายต่อความประพฤติชั่วมีความละอายใจต่อหมู่ต่อคณะทีะ่การทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆนี่นะบางคนอาจจะนอนหลับนอนไหลไไหมไปบินส บ, บาก็ไม่ทันเพื่อนแต่ทำวัดเช่าก็ไม่ทันอั่นี้มันก็คนละอายสิเราอยู่กับหมู่อ่ะ ควรละอายใจสิถ้าคนไม่รู้จักละอายใจแล้วผู้นั้นทำความดีไม่ได้จเจริญไปไม่ได้เลยเดือนนอนตื่นสายไปวินงะบายไม่ทนมันหมูอาศัยหมูขบฉันอย่างนี้นะควรละอายใจบ้างสินั่นแหละถ้าถ้าจะฝึกตนเข้าไป เด็ดเดียวจริงๆน ะ, ะมันชอบนอนหลับนอนไหลไปบินทบาทไม่ทันอย่างนั้นไม่ฉันมันเลยนะ่ะดีมากดัดสันดานมันนะ่ะ ม, มันกลัวจะพดตายแบบนี้มันก็ตื่นทันกับเวลาทำวัดเช้านั่งภาวนารวมกันสว่างมาแล้วก็ไปบินธท บ, บาทอย่างนี้ การอดข้าวเพียงวันเดียวไม่ตายหรอกไม่เป็นไรฝึกตนเข้าไปแต่อย่าไปอดติดติดการไปถึงเจ็ดวันสิบวันอะไรไปอย่างนั้นอันนั้นมันเกินไปเป็นอัตตาอิรมาถานุโยก อ, อดนอนเพื่อดัดนิสัยใจคออันเฉยชาอย่างนั้นนี่มันไม่เป็นไรอะอ ทำลงไปพรเราได้โอกาสแล้วเกิดมาชาตินี่ได้มาเป็นมนุษย์แล้วได้นำตัวเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่เพราะอำนาจแห่งบุญกุศลโน้นหลังที่เราได้ทำมาหนุนให้เรามีศรัทธามาบวชบวชก็บวชอยู่ใน <c oughs> อรัญญาวาสคือวัดอยู่ป่าด้วยแสดงว่าเราก็มุ่งหวังจะฝึกจนให้ถึงซึ่งความสงบระงับทางกายวาจาใจจึงได้สนใจเข้ามาขอบวชในเสนาสนะป่าอย่างนี้ถ้าหากว่าบุญน้อยแล้วไม่มีความสามารถ ที่จะมาบวชได้เลยแม่ผู้เป็นเครืงหัาก็เหมือนกันนะอ่ะ้าบุญน้อยแล้วอย่างนี้มันก็จะลงก็เห็นว่าเออไอทำบุญทาไหนที่ไหนก็ได้เอาใกล้บ้านเนี่ะดีมันง่ายดีไม่เสียเวลาไปทำการทำงานผู้มีอินทรียบรมีแค่กล้า ก, กว่านั่นหมดไม่คิดอย่างนั้น คิดว่าพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกอยู่ที่ไหนไปที่นั้นใกล้ก็ไม่ว่าไกลก็ไม่ว่าอืมนเป็นไงนนเรื่องสติปัญญาคนเราเนี่ยมันยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันเหตุที่ปัญญามันจะแหลมคมกว่พาพ่อบุญนั่นแหละในสร้างบุญกุศลมาแต่ก่อน แต่ชาติก่อนก็ยินดีในการสะดับตราบฟังยินดีในการคิดการตรีการตรองคำสอนของพระพุทธเจ้ายินดีในการทำความสงบกายสงบใจเป็นอุบุบริัยปัจจัยติตามมาเ น, นี่ยเกินมาชาตินี้จึงมันบุญกุศลอันนั้นโดนบันดาล ให้แสวงหาที่สงบสงัดให้แสวงหาท่านผู้มีปฏิปทาปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหานี่อนุภาพของบุญกุศลน่ะจะต้องพิจารณาดูถ้าผู้มีบุญน้อยแล้วมันก็เอื้อมไม่ถึงเช่นพุทธบริษัทที่เดิน ทางไกลไปสแสวงบุญอย่างนี้นะผู้มีศรัทธาน้อยมันมันก็เอื้อมไม่ถึงไปไม่ได้ถึงมีเงินมีทองอยู่มันก็ไม่ไปอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่มีความสามารถที่จะไปนั่งฟังธรรมะที่จะไปนั่งสมาธิภาวนาอยู่อย่างนั้นได้เพราะจิตใจมันพุ่งซ่านเดือนน้อนทำไม่ได้มีแต่ปฏิเสธลูกเดียว จา้อย่างนี้นะมันจะพ้นทุกได้ยังไงเพราะว่าผูพ้พูดที่จะพ้นทุกนะคือใจตรงนี้ใจตรงนี้ส ง, งบระ ง, งับเป็นหนึ่งลงไปแล้วใช้ปัญญาสอนมันให้มันเบื่อมันน่ายต่อความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารทั้งภายนอกพาทั้งภายในนอกร่างกายก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืน ลายในต้องพยายามสอนตนเข้าไปอย่างนี้นะบุคคลผู้ที่จะขยันมันเพียนบำเพ็ญเพียนฝึกกายวาจาใจของตนให้เข้าถึงความสงบก็พ่อมารู้อย่างนี้แหละอา้าวใครนะ่าจะพ้นทุกขนะ์ลองถามตัวเองดูสิใครเป็นผู้จะพ้นทุกข์ ตนเองจะตอบตนเองว่าอย่างไรอ่ะแน่นอนนะมันต้องผู้รู้ก็ต้องตอบตนเองว่าก็จิตตรงนี้ละพ้นนะร่างกายมันมันก็แตกดับแล้วไฟเผาโลกก็เหลือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นเองแล้วมันจะไปไหนร่างกายอันนี้นะนนคนส่วนมากก็มาบำรุงแต่ร่างกายนี่ไม่บำรุงจิตใจตรงนี้เรื่องมันนะ มันจึงทนทุกข์ไปได้สะสมแต่กิเลสหุ่มห่อใจตัวเองอยู่กิเลสมันก็จูงให้ไปทำบาปบ้างทำบุญบ้างอย่างนี้นะแล้วบาปนี่แหละมันน่วงให้คนเราเกิดแก่เจ็บตายทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้บาปนี่เองแนละไม่ใช่อื่นไกลเนะ้อขอให้พี่นายมันเห็นนะ เพื่อนเชื่อว่าบุญแล้วนะมันไม่ได้ทําให้คนเป็นทุกข์เรืออร้อนเลยถ้าบุญยังไม่เต็มเข้าสูว่วิพญาณยังไม่ได้บุญก็นำไปเกิดในที่สุขที่สบายที่ท่านเรียกว่าสวรรค์สวรรค์ น, น, นั่นเป็นสถานที่เลิศเป็นสถานที่อยู่ของผู้มีบุญผู้ใดได้ทําบุญในโลกนี้ ทำลาง ก, กายวาจาของตนให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษแล้วก็ทำกุศลความดีอย่างอื่นๆเข้าไปเมื่อตายแล้วบุญกุศลอันนี้ก็นำไปเกิดในที่สุขสบายอย่างว่านั่นเนี่ยก็ได้เสวยผลบุญอันนี้ไปนานพอได้เหมือนกันนะกลัวว่าบุญนี้จะหมดลงเรียกว่า อายุยืนยาวนานกว่ามนุษย์ของเรานี่หลายร้อยหลายพันเท่าให้คิดดูแต่ว่ากวัวบุคคลที่จะไปสู่สถานที่เลิศอย่างว่านั่นได้ก็ต้องเอาทุกเป็นทุนเนี่ยอยู่ในโลกอันนี้นะี่ยทุกเป็นทุนอย่างไรอะก็เอาทุกเป็นทุนอดกั้นไม่ทําความชั่วเพราะปากเพราะท้อง ไม่แสวงหาทรัพย์ต่างๆมาบำรุงร่างกายนี่โดยทางสุจริตแม้จะได้น้อยก็าตามขอให้มันสุจริตการแสวงหาเข้าของเงินทองอะไรก็ดีการแสวงหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็แสวงหาโดยทางสุจริตไม่ให้ผิดศีลผิดธรรม ต้องอดทนนะยอมเสียสละความชั่วต่างๆในโลกนี้ให้หมดไปแล้วก็มีตรกตายวาจาใจสะอาดปราศจากบาปอากุศลต่างๆนี้นะนี่แนหะละหนทางไปสู่สถานที่เลิศท่านที่ทานเรียกว่าสวรรค์น ะ, ะผู้ที่จะไปสู่สวรรค์ได้มันก็ต้องอดทนสละความชั่วในโลกนี้ ให้หมดไปจากกายวาจาใจซะก่อนนะขอให้เข้าใจผู้ใดยังหวงความชั่วอยู่เช่นชอบดื่มเล่าเมาสุรากัญชายาฟินเนลวินอย่างนี้เตะออกไม่ได้อย่างนี้นะมันออกไม่ได้สละมันไม่ได้มันก็เอาเลยเงินทองก็ได้มาไปซื้อของเสพติดท่านบริโภคเข้าไป สำหรับผู้คลองเลือนน ะ, อะไม่มีเงินจะซื้ออาหารการกินมาเลี้ยงครอบครัวเอาก็ไปหาค่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงตัวและครอบครัวเข้าไปวันนี้ก็สร้างบาปกรรมเข้าไปให้มากขึ้นโดยลำดับหนีทางไปสู่นรกอันนี้นะขอให้เข้าใจอ่า มันมีทางเดินอยู่สองทางชีวิตของคนเราทางไปสู่ทุกขกติคือสถานที่เป็นทุกข์อย่างหนึ่งทางดำเนินไปสู่สุกติคือสถานที่มีความสุขความเจริญหนึ่งนี่ไอทางเดินแห่งชีวิตของคนที่เกิดมาในโลกนี้นะก็เป็นอย่างนี้แหละ ดังนั้นน่ะผู้มีปัญญาต้องพิจารณ์สิจะเดินทางไหนอ่ะนั่นเนี่ยผู้มีปัญญามันก็ต้องเดินทางสุขติอไปสู่สุขตินะดังนั้นทางทุกติไม่ไปอืเมื่อรู้อย่างนี้แล้วทางใดไปเป็นบาปเป็นโทษจะไปพาไปสู่ทุกกติก็ไม่ไปเลยอืม ไม่ทำไม่พูดอย่างนี้แหละถ้าบุคคลสละความชั่วได้เด็ดขาดลงไปแล้วจริงๆในชาตินี้นะแม้ในชาติต่อๆไปนั้นเกิดถึงแม้จะเกิดอีกมันก็ไม่ทำบาปอไอ้กุศลเหล่านี้มันก็มาเตือนใจให้ระลึกได้ให้ระลึกถึงบาปถึงโทษได้ ให้มีความเมตตาอินดูสงสารมนุษย์ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายสัตว์เลี้ยงานที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเกิดเมตตาสงสารขึ้นมาไม่ปรารถนาอยากจะทำลายชีวิตของมันก็เป็นอย่างนี้แหล ะ, ะบุญกุศลนี่ย่อมเป็นอนุคามินีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ เธอติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกคนเป็นมิตรที่ดีที่สุดเลยดีกว่ามิตรสหายภายนอกเราไปไหนบุญกุศลติดตามไปเกิดที่ไหนบุญกุศลก็นําไปเกิดที่สุขสบายแล้วบุญกุศลก็เตือนให้ทํากุณงามความดีบุญกุศลตักเตือนไม่ให้ทําความชั่ว นี่หมายความาให้ระลึกได้บุญกุศลน่นดนจิตให้ลึกระลึกได้ว่าเออทำอย่างนี้มันชั่วนะมันไม่ดีนะมันเป็นไปเพื่อทุกข์เนี่ยบุญกุศลนั่นเตือนจิตได้เป็นงั้นผู้ใดมีบุญน้อยไม่มีบุญมากานี่กำลังบุญน้อยมันสู้กิเลสไม่ได้มันก็ไม่สามารถจะมาเตือนจิตให้เห็นโทษแห่งความชั่วได้ ให้ละความชั่วได้ไม่มีมันเป็นอย่างนั้นเดงมมาเน่ะผู้ใดรละลึกถึงความชั่วได้ล้วก็เว้นได้ผู้นั้นชื่อว่ามีบุญมากพอสมควรเป็นงนั้นท่านพอผู้ท่านมีแต่บุญล้วนๆแล้วเกิดไปชาติใดก็ไปสร้างแต่บุญเพิ่มเติมเรื่อยไปบาปไม่เอาแล้วผู้นั้น น, นี่ บุญกุศลมันก็แก่กล้าขึ้นไปเดยลำดับอย่าง น, นี้เรื่องมันน่ะมันก็ใกล้ต่อพระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆระวางที่ยังไม่ถึงพระนิพพานนี่ก็ต้องมีมนุษย์มีสวรรค์เป็นที่ท่องเที่ยวส่วนนรกเปรตอสุรกรายสเ ด, ดชฉานไม่ไปนั่นใต้จากมนุษย์ก็ไปเกิดสวรรค์ หมดอายุหมดบุญในสวนรรค์ก็ต้องจุตธธิมาเกิดมนุษย์นี่ในเกิดในฐานะที่ดีมั่งมีสีสุขเกิดมาอยู่ในคกองเงินกองทองแล้วก็จิตใจเป็นกุศลอีกด้วยซึ่งบางคนนะ่ะได้เห็นอยู่ตังมีเงินมีทองมากมายในใจเป็นกุศลชอบทําบุญทําทานชอบปฏิบัติธรรมนี่ มันอาศัยบุญหนหลังนํามาหนุนส่งทางนั้นเลยอคนไม่บุญแต่หนหลังไม่มากอย่างว่านั่นเน่ยมันย่อท้อไม่สามารถจะปฏิบัติได้อย่างนี้นี่ยเพราะการภิกิจนี่พระพุทธเจ้าทําให้เป็นตัวอย่างแล้วนั่งสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรงหลับตาไม่ก้มมากไม่เงยมากอย่างนี้ถ้าก้มมากแล้วมันก็นั่งหลับเลยคนเรานะอย่าไปทำอย่าไปหัดถ้าไปฝึกหัดอย่างนั้นแล้วมันติดนิดสัยแล้วนั่งภาวนาทีใดก็มีแต่ก้มลงก้มลงแล้วก็หลับไม่ได้เรื่องอะไรเลยอ่าเป็นงั้นดันั้นต้องฝูกใจต้องเตือนตนให้ เขมแข็งไว้นั่งตัวตรงไว้เสมออย่างนี้นะเมื่อนั่งตัวตรงไว้อย่างนี้มันก็มีสติแล้วอย่าไปนั่งให้โคตรลงให้โหดให้ตัวโหดตรงอันนั้นมันก็หายใจฝืดอีกแล้วมันทอ้อมันก็นเราจะปรับปรมหายใจให้ละเอียดลงไปไม่ได้เลยอ เราต้องปรับการนั่งนี้ให้เข้ารูปเข้ารอยก่อนนะการภาวนานะ่ไม่ใช่ว่าทำยังไงก็ทำได้หรอกอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ฉช่นนั้นนะพระ อ, องค์จะไม่สอนและไม่ได้ทำให้เป็นตัวอย่างเชียนพระพุทธรูปนี่ก็เรียก ว, ว่านักปากเกจิอาจารย์ทั้งหลายได้สร้างไว้เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่พุทธศาสนิกชน ผู้ดาเดินดำเนินตามรอยพระบาทของพระศาสดาให้ดูแลเอาเป็นตัวอย่างแต่ว่าอันการที่เอามือข้างขวาพาดหัวเข่านั้นนะ่ะมันเป็นปางที่พระองค์เจ้าทรงต่อสู้กับพญามารอยู่พระองค์ยังไม่ได้ตัดสู้ตอนพญามายกขรบวนมา ขับไล่พระ อ, องค์ให้ออกจากแท่นบันลังนั่นนะอ่ะอาพระยมานถามว่าถ้าท่านว่าแท่นบันลังนี่เป็นของของท่านใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นสกีพยานของท่านกระจงชี้มาอย่างนี้นะแต่พระ อ, องค์จึงคลายมือข้างขวานี่ออกจากตักแล้วก็อเอาพาดต้องงกเขา ชี้ลงไปที่พื้นดินเนะี่ยนี่แหละพื้นดินนี่แหละเป็นักขีพยานเราเที่ยวเกิดเที่ยวตายสร้างบุญบา ร, รมีไว้ในสงสารหนานนับไหลกลับไหลกัน เ, ออเราหลังล่อน้าทักกโนโทกทักกโนโทกลงในพื้นแผ่นดินป่าธนาเป็นพุทธเจ้ามานี่ มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลดังนั้นถ้ า, าว่าข้าพเจ้าได้บำเพ็ญบุญบา ร, รมีมาเป็นความสัตย์ความจริงอย่างนี้แล้วก็ขอให้บุญบา ร, รมีนั้นจงแสดงบทบาทออกมาให้ปรากฏเป็นสกิีปัญญาในบัดนี้เมื่อพง์อธิษฐานจบรงไปก็ปรากฏมีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน ในตำราท่านเรียกว่าแม่นางธรณีผมยาวแล้วก็ประกาศต่อหน้าพระองค์ว่าข้าพระองค์นี่แหละเป็นสกิพยานของพระองค์ตั้งแต่พระองค์ได้สร้างบุญบา ร, รมีมาได้หลังหล่อน้ำทักฮีโนโทกลงสู่พื้นดินเพื่อปรารถนาให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมากกว่าน้ำหมาสมุทรทะเลจริงๆ คันแล้วแม่นางทรณีก็บิดมวยผมน้ำก็หลั่งไหลออกจากมวยผมนั้นมากมา ย, ายก่กองเป็นลำธารไปเลยท่วมท้นเอาพญามารและเสนาามารพัดพามารเหล่านั้นออกไปขอบจักรวาล น, นู่นตดยกลงว่าพวกพญามารและเสนามารทั้งหลายนั้นสู้อำนาจบุญญาบารมีของพระองค์ไม่ได้ อย่างนั้นแล้วพอองค์จึงได้รับความสงบสังัดไม่ได้รับความบวรบกวนจากมานทั้งหลายถึงมีโอกาสได้เจริญฌานสมาบัติได้เกิดขึ้นแล้วเจริญนิพพานาตัดสรู้ไปโดยลำดับในปฐมยามก็ะระลึกชาติน้นหลังได้ขณะนานับชาติไม่ถ้วน พอแล้วก็องละลึกคืนหลังไปว่าชาตินั้นเกิดเป็นอย่างนั้นชาตินี้เกิดเป็นอย่างนี้มีความสุขความทุกข์อย่างนี้มีความยากจนคนแค้นอย่างนี้มีความร่ำรวย ม, มั่งมีมีอายุยืนยาวนานอย่างนี้มีสติปัญญาอย่างนี้มีผิวพรรณว่าน่าอย่างนี้ก็ อ, องก็รู้ไปหมดเลยเอ่าเบ่งอัน เมื่อรู้แล้วสิ้นสงสัยในความเกิดของพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์ก็หยุดพักไปก่อนรวมจิตให้มีกำลังขึ้นแล้วพอตอนจวนเที่ยงคืนพระ อ, องค์ก็เจริญวิปัสนาระลึกถึงสัตว์โลกกว่า น, นีน้ก็ได้ตัดสรู้จุตูปปาตายานเธอมีรปริปัญญาปรีชาอย่างรู้ ความเกิดความตายความสุขความทุกข์ความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายสรุปความแล้วว่าสัตว์โลกทั้งหลายจะเป็นสุขเพราะการประพฤติสุดจริตด้วยกายวาจาใจคือทําบุญนั่นเองอ ม, มนุษย์แสัตว์ทั้งหลายจะได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในสงสารอันนี้ก็เพราะประพฤติสุดจริตด้วยกายวาใจ ด้วยกายวาจาใจก็คือทําบาปมีฆาตตัดเป็นต้นนั่นเองนี่พระองค์ทรงรู้แจ้งอันนี้แล้วทรงรู้ว่าไม่มีสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ใดๆที่จะมาดนบันดาลให้ทัดทั้งหลายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระองค์รู้แจ้งอย่างนี้ดังนั้นเมื่อ แต่จะรู้แล้วมาแสดงคำสั่งสอนมนุษย์ทั้งหลายจึงได้ทรงสั่งสอนให้มนุษย์ทั้งหลายละเว้นความนับถือผิดๆภายนอกนั้นเห็นนับถือเทวดาอินพรหมยมยักษ์ โดยสมมติว่าผู้มีฤทธิ์มีเดชต่างๆถ้าไม่นับถือแล้วมันจะมาเบียดเบียนเอาอย่างนี้ไม่มีเมื่อบุคคลมีบุญกุศลแล้วสร้างบุญกุศลบุญกุศลรักษาชีวิตไว้ใครจะไปทํำลายชีวิตไม่ได้แล้วยเพราะพระองค์สอนให้เชื่อบุญเชื่อกุศล ความดีที่ตนทำมาไม่ทรงสอนให้เชื่ออย่างอื่นดังนั้นถ้าผูใ้ใดเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามที่แนะนำนี้ให้ทำความเชื่อมั่นในบุญในคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ให้เข้าใจว่าเมื่อเรามีบุญัะอย่างเดียวแล้วบุญย่อมรักษาชีวิตนี้ให้มีปกติสุขมีความสุขความเจริญไปเรื่อยๆจนกว่าบุญนี้มันจะหมดลงเมื่อผู้ใดทำความเข้าใจกับตัวเองได้อย่างนี้แล้วย่อมไม่หวาดกวั่นพันพึงต่อภัยพิบัตอันตรายต่างๆเลย ใครโฆษณาชวนเชื่อว่าแต่นี่ไปอีกเท่านั้นเท่านี้จะเกิดวิบัติอะไรต่ออะไรโลกจะโกราหอืนจะเกิดภัยพิบัติต่างๆอย่างนี้นะถ้ามีคำโฆษณามาอย่างนี้ผู้ที่เชื่ออานุภาพของบุญของบาปแล้วจะไม่หวนไหวเลย อ้าวภัยอะไรก็ตามาถ้าหากว่าบุญกุศลไม่สามารถจะรักษาชีวิตนี้ไว้ได้แล้วก็ก็ให้มันแตกดับทำลายลงไปเสียเพราะว่าคนเราน่ยเมื่อหมดบุญแล้วถึงจะมีภัยอะไรไม่มีอะไรมันก็ต้องตายอยู่ดีๆนี่เองอเปีนยงั้นเพราะฉะนั้นนะถ้าต้องพี่นาให้มันเห็น ด้วยปัญญาของตัวเองอย่างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะรู้แจ้งความเกิดความเป็นไปความสุขความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายว่าเป็นไปด้วยอํานาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายได้กระทาเอาไว้ตั้งแต่ในอดีตถนชาติหนหลังแล้วมันติดตามมาส่งผลมาให้นํามาเกิดในชาตินี้ ถ้าผู้มีบุญมากก็ได้เสวยความสุขมากเกิดมาชาตินี้ผู้มีบุญน้อยก็ได้รับความสุขตามน้อยผู้มีบาปมากก็ได้เสวยผลแห่งบาปนั่นคือความทุกข์ทนทรมานมากไม่มีสิ่งจักจิตได้ใดมาลงโทษชีวิตของคนเราขอให้เข้าใจไอลัฐที่ต่างๆมี อยู่ในโลกนี่ต่ไหนจะอะไรมาลทัทธิที่เขาถือสิ่งภายนอกว่ามาอ้อนวอนแล้วมาเข้าทรงคนมาชิ้งคนแล้วให้ออกปากว่าทำนายอย่างโ น, น้นทำนายอย่างนี้อั น, นี่มีอยู่จากครั้งบุตร เ, เจ้าก็มีไม่ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี่นะอันนี้คนเรา ที่ยังไม่รู้สัจธรรมของริงภายในจิตใจมันก็เลยหลงเข้าใจว่าคนเราจะเป็นสุขเป็นทุกข์นั้นอาศัยสิ่งที่มีอำนาจภายนอกนั่นมาโดนบันดาลให้ตนเป็นสุขเป็นทุกข์กอย่างโน้นอย่างนี้อ่านี่นะขอให้เข้าใจแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนเลยพระองค์ทรงแสดงว่า บุคคลจะเป็นสุขเป็นทุกขก์เพราะกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำเอามาแต่อดีตชาติทนหลังบ้างแล้วมาทำเอาในปัจจุบันนี้บ้างสมทบกันเข้าอย่างนี้นะมันจงมันจึงได้เสวยสุขเสวยทุกข์ไปตามกรรมที่ตนทานั่นนั่นดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วคอยพากันพิจารณาให้รู้ให้เห็น เมื่อพระ อ, องค์ได้รู้แจ้งความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายแล้วก็ทรงพักจิตไว้เมื่อจวนสว่างพระ อ, องค์ก็เจริญนิพพนาดำริพิจารณาปฏิจจตมุปบาทคือปัจจัยของความเกิดแก่เจ็บตายนี่เนะ่ะมันมีอะไรบ้างพระ อ, องค์ก็ทรงรู้แจ้งว่ามันมี จิตตรงนี้นะมันไม่รู้่ันเดียกว่าอาวิชชาหุมห่มโหจิตใจเหตุด้านจึงได้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนั่นก็พา้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี้อย่างนี้นะพระองค์มารู้ตรงนี้เองเนี่ยทันตภาพพูดให้ตามหลักออกไปแล้วก็เมื่ออวิชชา มีแล้วอวิชชาก็เป็นปัจจัยบังเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยบังเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยบังเกิดนามลูกนามลูกเป็นปัจจัยบังเกิดอายสถานะอายสนะเป็นปัจจัยบังเกิดพัสฐะพัฏฐะเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหา ตัณหาเป็นปัจจัยบังเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยบังเกิดภพภพเป็นปัจจัยบังเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้บังเกิดชะลาพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกโทมณตอุปาญาตเป็นอันว่าความทุกข์เกิดขึ้นโดยอาการดังกล่าวานี้นี่พระพุทธเจ้าทรงตัด ดูแจ้งในปัจจัยของชีวิตอย่างนี้โดยอนุโลมแล้ววันนี้ก็ทรงพิจารณาปฏิโลมโดยปฏิโลมคือถอยกลับเพราะมีความเกิดความแก่เจ็บตายจึงได้มีเพราะมีภพจึงได้มีชาติอย่างนี้เพราะมีอุปทานจึงมีภพเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทาน อเพราะมีเวทนาจึงได้มีปัญหาเพราะมีสัมผัสจึงได้มีเวทนาเพราะมีอายตนะภายในภายนอกกระทบกันจึงมีผัดซ่าเพราะมีวิญญาณจึงได้มีนามรูปเพราะมีสังขารจึงได้มีวิญญาณเพราะมีอวิชชาความไม่รู้จึงได้เกิดเป็นสังขารขึ้น พระองค์พิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้ไปมาในที่สุดอาสวัคคายายนก็บังเกิดแก่พระองค์พระองค์ก็รู้แจ้งว่าอาสวัสดหมดสิ้นไปแล้วเนี่ยนี่แหละเป็นอันว่าพระองค์ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอย่างนี้แต่จึงได้มาสั่งสอนให้มนุษย์เราเชื่อต่อการกระทําของตัวเองนี้ เพราะว่าพระ อ, องค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทําความดีลักคมชั่วมาในสงสารนี้ไม่มีเทวดาอินทร์พอไม่ได้เอาบุญเอากุศลมาให้พระ อ, องค์ไม่มีเลยพระ อ, องค์ทําเอาทั้งหมดอนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตับฟังแล้วก็ขอให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าดังแสดงให้ฟังมานี้ ก็คงจะได้ประสบความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนตราบเข้าถึงปนิพานดังแสดงมา